วิธีการบังความจริงไสยศาสตร์บังพุทธศาสตร์เวลานี้เราสอนสมาธิกันเราไปยึดวิธีการมากเกินไปวิธีการที่เรายึดเอาไว้นั่นแหละมันปิดบังความจริงเพราะฉะนั้นเราจึงมาเถียงกันยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังพุทโธ พวกคุณทั้งหลายเนี่ยเรียนจบปริญญามาแล้วเนี่ยผ่านการปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นเวลาเรียนสูงสูงเนี่ยต้องมีวิจัยงานวิจัยวิชาความรู้ในขณะที่เราใช้ความคิดของเราอยู่นั่นแหละคิดวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาพอเผลอจิตมันว่างลงข้อมูลที่เราต้องการรู้มันโผล่ขึ้นมานั่นคือสมาธิปัญญา แต่พระผู้สอนกรรมฐานท่านไม่ยอมรับแบบนี้สมาธิต้องได้ยานขั้นนั้นฌานขั้นนี้ว่ากันไปแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิคือการฝึกจิตให้มีสติรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติสมาธิ เพื่อปลุกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาเมื่อเรามีความรู้สึกว่าจิตของเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจิตใต้สำนึกมันตื่นขึ้นมาแล้วเราจะน้อมเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้เดี๋ยวนี้วิธีการมันมากเกินไปนอกจากวิธีการแล้วยังเอาอันอื่นเข้ามาแทรกแทรก ถ้าใครเรียนศาสนาพุทธให้มันถึงแก่นกันจริงๆเราจะรู้ว่าในเมืองไทยศา ส, สนาพุทธยังเหลืออยู่กี่เปอร์เซนต์อันอื่นมันมาปิดบังหมดมากลบเกลือนหมดศา ส, สนาพุทธที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีกี่เปอร์เซนต์เดี๋ยวเนี้มันเป็ น, นา ศ, าศาสนาศิศาสตร์ไปหมด